เกิดแก่ละเป็นตายเป็นเหมือนกันได้ด้วยกันมานะเคลื่อนถึงวาระสุดท้ายของโลกทั้งหลายประดวงก็เคลื่อนทั่วโลกท่านแก่ละเกิดความเมตตาเองที่ทําให้เต็มบริไม่ได้อะไรทุกเจอกันละเป็นอย่างอันทางที่ทุกข์มีตา <mae, S 1> นะทํากําหนดขึ้นปฏิบัติรักติดถึงอย่างละโพธิญาณทํามาเป็นต้นตั้งก็ไม่คุรพาถอยตั้งแต่ปฏิทําเป็นศาสดาจนประเทศไทยหมายแล้วก็นําบอกทางขวัญโลกให้มีอานิเทื่อคนเพราะจะทีแล้วประชุมเรียนยันเรียนยันโดยสัตโตโลกใคร เราบรรลุธรรมก่อนน่ะตอนนี้นบบ่ต้องผ่องแค่ยินน่ะบ่อ่าอุปการะบรรลุนี่ไปแล้วเพราะคนที่จะได้บรรลุธรรมก่อนกับพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันนั้นว่าถึงชีวิตพระองค์ภาวนามีณเวลาพอตรงนี้ก็เห็นเป็นตรัสรู้ทั้ง 5 มันมีได้เลยมีไม่ได้คนมาเลี้ยงหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาความเคารพนับถือหาตรัสกาละเหมือนอย่างวันนี้นะอืมเมื่อมีปุจจนาโลกหาเงินหาด้วยก่อนทุกวันที่วันนี้ถ้าจะทําเป็นธรรมจริงๆผู้ต้องทําให้จริงๆปฏิบัติธรรมจริงๆเจตนาเป็นธรรมหัวใจเป็นธรรม เกี่ยวพันกับผู้ใดเป็นธรรมทั้งนั้นไม่มีโลภไปเกี่ยวขนนี่น่ะทําแก้เป็นอย่างปฏิญญาณถ้าเราไปที่ไหนจึงทําความระงับเย็นแห่งแก่โลกหนมากมายถ้าไปรบกวนสิ่งใดกับใครควรมหันอืมควรเพื่อความสงบคาเลกไม่ควรโลก <ม. S 1> อ่าไรก็ไม่รู้นะมีมีเรื่องค่อยเกี่ยวกันพออยู่บ่เป็นพอตายที่บอกให้ท่านบวชตนุคโมระเทศนามานานแน่คํานี้ไม่บอกให้ตั้งอุปสรรคอะไรแทนอยู่ที่ดอกต้นบาปไม่ว่าตนุคโมระเทศนามานานพอนี้จะบอกมาว่าขากว่าจะได้บริข์คงตาย ว่าตัดสงสารความปฏิบัติก็ได้เป็นความความเป็นอยู่พอไว้ก็เหมือนกันเพราะยังชีวิตที่เป็นไปวันๆก็พอขอให้ปฏิบัติธรรมสงบใจเป็นของสําคัญอืมทางเค้าก็ประกาศศาสนาก็เพื่อทําม่วนๆเพื่อให้ใจคนแท้ไม่ แล้วการนึกอีกทั้งหมดเราเที่ยวอยู่นี่ก็นั้นอันปุถคายก็มีแสดงกันมาตั้งนานอยู่แล้วนี่ก็ใครก็เห็นง่ายสักปะท่านนั่นก็มีท่านอยู่กันในท่านปฏิบัติกันง่ายมันกลายเป็นธรรมะหมดอ๋อปฏิญธรรมบาทมันมีนึง นี่เป็นอย่างปิดมญัสออกไปของอาหารนี้จะได้อาหารดีเลยมันถังบังอาเพราะงั้นพอรู้ถึงนั้นหยุดทันทีไม่ไปเลยเหมือนกันพอนี้ไปเพื่อภพไม่มีไปเพื่อธรรมมันมีหยุดเรียนไม่ไปนี่มันมีในตําราในสัมผีนี่ทั้งนั้นน่ะมันหลักในบาลทุกข์ความเป็นที่นั้นมันเรื่องของกิเลส คือเจ้านี่ท่านก็จริงๆนี่เป็นภัยอ๋อท่านก็ได้เป็นศาลนาของพวกเรานะทั้งคําสันนิบาตทั้งภาวนาสันท่านเหล่านี้แหละที่เป็นศาลนาทั้งทั้งจะเป็นท่านเหล่านั้นเราหลายแต่จะเป็นศาลนาของตัวเองก็ยังไม่ได้จะเป็นสังฆานญนาจารย์นี้แก่ประชาชนได้ไม่เป็นศาลนาของอนาราทเพื่อตัวเองก็ดังนั้นหลังผิดไป สิ่งต่างๆก็เปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงมาทั้งที่คัมภีร์และวินัยก็มีบาลานก็มีแต่ธรรมธรรมามีอยู่อย่างสมบูรณ์การปฏิบัติมันก็เป็นภาค 10 ต่อธรรมพื้นอันดับนั้นพอเรียนออกทางกาทางวาจาทางใจนี่จะเป็นภาค 10 ของธรรมอืมภาค 10 ของมรรคนิพพานเป็นการเข้าฝ่ายวิเลขที่เสมอ แล้วจะเอาพระนิพพานมาจากไหนกิเลสไม่เคยให้คนมันรู้ถึงผลนิพพานนอกจากธรรมที่เป็นเครื่องฆ่ากิเลสมีสติสมาธิปัญญาเป็นตัวเท่านั้นที่จะปิดพระนิพพานให้ถึงได้ให้ฝึกปฏิบัติได้ไม่ได้ทั้งเด็กด้วยกันอํานวยก่อนทั้งเพื่อกําจัดกิเลสทั้งหลายนั้นเองนั้นก็ปฏิบัติพึงเร็ง อย่ามองไปอื่นนั้นมองไปทุกธรรมธรรมสังคหะธรรมเป็นหลักสําคัญความพึ่งตนพึ่งตายกับทุกท่านธรรมะจิตใจก็พึ่งแล้วความพึ่งตนพึ่งตายกับท่านในข้อปฏิบัติหรือท่านคิดอย่างไรนี้ท่านปฏิบัติอย่างไรภาดําท่านดําเนินอย่างไรมันก็อีกอย่างหนึ่งยึดนั้นยึดเป็นขั้นค้ําเลยทําไม่ต่อมือ โลกมีอย่างนี้แล้วเขาจะสึกสรรพันธรคลีกันนั่นแหละก็ทางเราเห็นนี่แหละไปถึงมันอะไรนี่มันก็นั้นคนนี้คนนี้คนนั้นคนนี้ว่าอวิเศษต่างๆคุณนําทับยอเปื้อนให้กินกับลมก็เอามันก็ต้องถึงมาเป็นน้ําเป็นนี่โอ้ยพึ่งพานถ้าฟังถ้าฟังขึ้นไม่มาหิงทาง นี่เป็นมอดอืมพอตกกระเป๋าแล้วไม่มีใครเหยื่อแลละอาหารทั้งหมดเกิดขึ้นไม่มีใครรับกินนี่อย่างนั้นในโลกเถียนนั้นงามขึ้นปุ๊บโยมผู้สนุกโยมนี่นี่คือโยมเราก็ทำโลกก็ทำอยู่เป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องฮึดๆเลยครับคุณจะรู้โลกกถัมก็ต้องเป็นผู้เรียนธรรม มันก็ผิดมีอะไรลิงถึงเป็นมันก็ถามเสมออยากจะมองอะไรหรือถึงตั้งปลุกไปถึงถามแค่นั้นแหละถ้าจะอยู่โลกใดชีวิตใดก็ดีเถอะอาคมังมีสิ่งที่สนายไหนดันมาน้อยมีตามากไม่เถิดพิเดตเอาเครื่องมือทั้งหมดนี้มันไม่ทราบความสุขไปไหน ดูเรื่องนั้นขึ้นไปขึ้นนั้นเนี่ยน่าดูนะแล้วดูด้วยความคิดน่ะมึงอืมวัดกับค่านั้นมันไม่จริงพอเรามาดูเป็นแบบโลกๆดูเป็นแบบธรรมะนั้นมึงจะดูก็เป็นมันมันก็ไม่เป็นแบบเนี้ยคิดมันเป็นมันเลยมันจะมีอย่างนั้นดันน่ะคิดง่ายอ่านดูได้คิดง่ายๆดีมากเลยเรื่องของความเป็นอยู่ของโลกความวุ่นวายของโลกความเปลี่ยนแปลงของโลก มันเกิดแก่มาทางไหนมันมีพุ่นมาเป็นไงมันเป็นสาเหตุนํามาซึ่งความทุกข์ความทุกข์คลานหนามมันคนมีพันธุ์ร้อนละลายอืมมันดูไปงั้นน่ะอืมเวลาทุ่มนมกันแล้วก็ถ่ายภาพถือแก้วแก้วแล้วมันมีแล้วแก้วเบียร์แก้วทั้งคราวนี่ก็เล่าแล้วกันนี่ต่างเพิ่นต่างถือเลยทั้ง 5 <and gef> <necessary> ยินแตมมันมีความสุขความปิ้นมันปฏิจันนั้นอยู่ในอกหัวใจไม่มีมันไม่มีความสุขกูลมันออกมาแฮ้งๆพอเวลาพอปิ้นมันให้ความสุขมันลาออกคือดิเลยมีความมีใจมากเรื่องประเด็นอาการประดับหน้าร้านอะไรอย่างนั้นดูมันเพิงกันเราดู นี่หาไทยและความสุขของนั้นโดนอย่าไปสงสัยว่าโลกนะครับความสุขเดิมเพราะไม่ปล่อยปล่อยใจมีความปรบปานเพราะความเป็นโลกเพราะความไม่มีเพราะความเรียนนาบเรียนสูงเพราะคนนักถือแต่มีความสุขเพราะการปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมแค่นี้นี่เป็นการสุขอยู่ภายในติดแต่ออกนี่ล่ะ บารมีทั้งทุกที่บอกคําคําไม้วางใจก็อยู่ที่นี่บอกปลดปล่อยภาระทั้งหลายก็อยู่ที่นี่ท่านอันนี้ให้สําเร็จงานของเราให้สําเร็จแล้วเท่านั้นน่ะกินงานของเราทํางานกรรมฐานอะไรครับนี่พระพุทธเจ้าสอนสอนงานอนตวรรณวดมีซาประมาณนะครับอนตาประตูประตูต่างๆอาณาจักรลงมาเพื่อซานี่นี่เป็นเอกเทศ สรรพสิ่งในประเทศให้เอานี้เป็นข้อมูลแล้วก็ตายออกไปเป็นเหมือนกับเป็นกระทู้นั้นน่ะกระทู้ก็แปลว่ามัดมันมัดเอาไว้เป็นกลุ่มเป็นนี้มัดเป็นมัดแล้วก็ยกที่คลายไว้อืมกรรมฐานภาวนามีที่ไหนมีในกาจาก็จะมีทั้งอาการทั้งที่ 2 ก็จะเอาออกให้รู้ แต่นี้มีการทั้ง 2 กระจายไปเทียบเพียงกันทั่วโลกทั้ง 3 ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันเหมือนกันทั้งนั้นน่ะมันกระจายนี่อย่างงั้นงานของงานต่างๆนี้หรือก็คือธรรมชื่อว่าตัผลตานออกไปเพื่อที่เด็ดกันหาอาสวะออกไปเพื่อการอย่างนี้เองเพราะทางที่ที่ใดที่ที่เหมาะสมพระองค์ก็ลงแสดงหมดแล้วเราก็โมรเทศนากันน่ะงั้นทําป่าทําเขา ค่ํานุ่มป่าอุงกับหมอมีสถานที่เลิศขนาดมีป่านั่งสถานที่หมอทํางานประเคนมามาเป็นหมอณสถานที่นั้นท่านครบครรภ์ฐานก็มาให้พลุงพลังไม่ให้ค่ําค่ําเพื่อๆเพราะจะเป็นการกังวลกับเรื่องการอยู่การกินท่านภาวนาเต็มน้อยฐานเต็มมือเดียวแล้วนั้น พื้นเคยมีที่ถังแค่เดียวหลังจากนั้นก็มีดื่มเผายาครูยาครูก็แปลว่าเผาต้มเอื้อดื่มน้ําเผาต้มคนนี้ก็บาดได้พอมีใครท่านไม่ไว้คู่นั่นน่ะดาบนายคนนี้เออเราอย่างนี้ที่ฟ้านี่ทางทะตอนทางเทรนทางเทรนดีนี่มีฟ้ากั้นข้างด้วยใครก็ไปรู้มัน นี่คำถามมันเต็มหัวใจน้ําจะไว้หน้าใครนี่มันเต็มหมดอือทางสงห์อือมีอะไรกันเนาะนี่จะปีกกับตามต้องต้องครบต้องเติมพลังห่วงหน้าห่วงหลังการอยู่การกินโลกเค้าอยู่ได้กินได้ยังไงเราก็เป็นคนคนหนึ่งเค้าเป็นคนคนหนึ่งเค้ากินหน้าเรากินหน้า สมุนนาอาหารนั้นดีอาหารนี้ไม่ดีนั้นว่าเอาไปนั้นแหละอืมเหล่านั้นน่ะฐานะเหมือนกันหมดกินได้หมดถ้าไม่ผิดจากพระวินัยน่ะอืมสอนให้มันง่ายๆยังตัวง่ายๆไม่เกิดไม่ได้กังวลอ่าแล้วเป็นคนท่านไหนคนทั้งสูงทั้งต่ำคนเมืองนั้นเมืองนี้ไม่มีมีแต่นักบวชอาศัยขอทานไปกิน เพราะหาอะไรมาก็กินตามเรื่องตามรอดถ้าไม่ผิดกับโลกกับไทยนี่ก็ภาพของขันธ์หินไปมันคือมันเป็นไปในวันนั้นนะไม่ทําความเปลี่ยนไม่หนักไม่ถอยหลังมีงานอื่นอะไรมายุ่งจะทําความเครียดให้ยามทั้งเครียดหรือคิดคิดที่เท่าไหร่ เรื่องราวทั้งหลายที่มันเป็นอารมณ์ของจิตจิตมันถูกฝึกขึ้นมากลมขึ้นมาให้ตามไปต่างๆมีไม่อวดเข้าใจจริงๆนะถ้าอะไรเรื่องอารมณ์ของตัวเองน่ะมันลงอยู่อารมณ์ของตัวเองคือคิดไม่ออกในรากค่ะมันผ้าม้วนผ้าเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดติดอยู่กับเรื่องถ้ามีสติบรรดาแล้วมันจะติดต่อ เรื่องนั้นกันไปโดยลำดับลําดับเมื่อว่าธรรมารมณ์นี่ธรรมารมณ์ทําให้หลงเถิดไปกับเรื่องกับเรามีเวลาที่สงบเรื่องเหล่านี้ก็ไม่มีหาเนี่ยพอมีเวลาที่เราทําหน้าที่ภารมาของเราพิจารณาอาการในธรรมบทใดก็ตามเมื่อได้พระธรรมเราพิจารณาด้วยความสงบใจอารมณ์ภายนอกจะไม่เกี่ยวข้องเพราะเห็นว่าเพราะจิตไม่ออกไปเกี่ยวข้องจิตไม่ตนเป็นเรื่องภายนอกเข้ามาทําลายจิตใจ ที่ทําหน้าที่เพื่อกวดเฉาะถอนไม่ให้ทําหน้าที่เพื่อสังคมเกียรติบึกการคิดกระทําอารมณ์ต่างๆที่เรียกว่าธรรมารมณ์ที่ก็สงบอืมเดินปฏิณณานบริณีตาเดินตรงๆอย่างมันก็รวดเร็วเราไม่ทํานั่นแหละที่อ่านคิดไปแล้วอ่านคิดไปแล้วเดินเข้าไปปฏิบัติต่อไปจิตไม่หยุดเข้าไปสติปัญญา มันมีความหล้ําคมขึ้นค่อนข้างแก้วกล้าขึ้นโดยน้ําหนักมันก็คงยับปกะยอมมาแล้วภาพมันก็รู้อันนี้ปุงออกไปแล้วพอปุงภาพมันรู้มันกระดับภาพมันก็ไม่มีเรื่องมันจะปุงเรื่องมีเรื่องชาเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอดีตอนาคตอะไรก็มีพวกนี้ปลุกปลุงว่าภาพเพื่อนราวแล้วหลอกผกขรมันก็เค้าดูหนังในผ้าแล้วปัดในจอในแกนอยู่หนังลูกผู้ชายหนาวผู้ชาย เป็นบ้าไปแล้วน้องอันนี้มันเหมือนกันอะไรมันก็เหมือนนั่นแหละน้องคงมันทําทันทันตลาดที่มันตึงขึ้นยัดเรื่องเรามันมันก็ดับเพราะติธรรมนี้ธรรมทุ่งทําดับท้องทุ่งทําดับท้องไม่ทุ่งมันก็รู้ธรรมดาพอพูดถึงเรื่องนี้ก็ทําให้นักคิดทั้งดวงเวลาเราอยู่ในป่าและเขา มันติดเกี่ยวกับเป็นติดเป็นตนาธิว่าต้องให้หลักติดมันพัดติดไม่ออกนอกจากความนี้ก็ในตัวเองไม่งั้นมันจะมาภาพผีว่าภาพภาวะอันตรายขึ้นมาให้กลัวเพราะไปอยู่ในสถานที่กลัวด้วยในสถานที่มีเสือจริงๆด้วยอ่ะต้องบังคับติดให้มันส่งตาทางออกเลยมันรู้อยู่ว่ามีเป็นกับตาทั้งมากบริเวณนี้อีกทั้งมันมีความอาถรรพ์ทางไสย <ม. S 1> เสือจะเดินมาต่อหน้าหลักครั้งมันจะเดินเข้าไปหาลูบคางหลังเสือได้อย่างสบายเลยน่ะทางความรู้สึกมันแน่ในใจนั้นไม่ได้ว่าเสือจะทําอะไรได้เลยนี่อาจจะถึงความสําคัญถึงตัวเองก็ได้จะสําคัญถึงทํางานถูกตามเมื่อคิดได้ถึงขนาดนั้นแล้วมันไม่มีอะไรควรกันความกลัวก็มันมีอืมทุกนี้มีกําลังพร้อมมั้ยให้มันออกกําหนดเรื่องๆนั้นเป็นกําลัง ในแล้งปะนี้แหละเออขึ้นที่ว่าอันตรายอะไรก็มาเถอะว่ามันมีเนาะมันอาฆาตนะเสือก็มาค้างก็มาไม่หนีว่างั้นเลยนะคือมันเป็นความอาฆาตมันมีอืมไม่คิดว่าตืออะไรค้างเป็นต้นนะมันทําลายเราได้เลยเดินไปกับอาหารได้อย่างสบายแม้กระทั่งมันจะทําเราให้ข้าเราให้ตายในขณะนั้นก็รู้สึกจะตายไปด้วยแบบอาฆาตนั่นเองนะไม่ตายด้วยแบบกลัวนี่คงเป็นกรรมนาศตอนเวลานั้นคิดมันมีกําลัง อืมเป็นนี่คือหนึ่งการระงับความเกลือการระงับความฟุ้งซ่านความก่อกวนตัวเองเพื่ออารมณ์ต่างๆการระงับอย่างนี้ประการมีพอเป็น 9 ก็คือปัญญาเอาที่นี่เป็นอยู่แบบนึงนะการระงับความกลัวเป็นอยู่แบบนึงพบปัญญาระสมที่มีขึ้นในคนๆเดียวนั่นแหละเราเองเราเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นไม่มีใครบอกมาทางรู้วิธีปฏิบัติกับตัวเองเป็นเรื่องมันเมื่อคิดอยู่ในขั้นสมาธิมันก็ อัตโนมัติก็บังคับให้สงบไม่ให้ส่งครับแต่หาอะไรว่าเผื่อว่าทั้งว่างูว่าอันตรายอะไรอะไรไม่ให้ส่งไปมันก็มีเรื่องควรตัวเองเพราะจิตไม่หรอกพอจิตกล้าคลั่งปรารถนางึยับถึงเงือนเสือนี่มันก็ทันแล้วนี่นะเพียงยับปรุงรูปภาพเสือมันก็ทันแล้วอืมปรุงภาพเสือเอ้าทันก็ก็ทําให้มันตรงให้เป็นเสือกับหมาแล้วแยกค่าเสือนะ มันที่เขียนคือแยกข้ามยาธาตเผืองแยกอะไรเพราะเราดําเนินตําราวอยู่แล้วเราก็มรรคทายทักรรมที่มันไม่มันไม่เห็นด้วยมันไม่ถนัดถนัดในการแยกเออนี่เผื่อกลัวมันอะไรกลัวเผื่อเกิดตรงไหนที่คือตั้งให้มันเห็นเป็นภาพเผาอย่างงั้นน่ะไม่ให้มันดับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าภาพคือเราออกไปเล่าไปของเอาตั้งไว้ภาพนี้อ้าวกลัวน่ะกลัวอะไรคือกติปัญญามันทํา มันทําความเคลื่อนไหวทั้งสิทธิ์มันทําเองนะนะมันแยกกลางออกมามันทําเองอย่างนี้นี่คือธรรมปีนี้เป็นผู้ร่วมฟังนี่คือการปลุกปลื่นเมื่อมันรวดเร็วแล้วมันทําภาพตรงคือย่อมอะไรปั๊บนึงมันมันไม่เห็นนั้นมันล่วงแยกออกไปกระเดงทันทีพอลุภะดับป้อมอันนี้เราไม่ให้เราไม่เดาอืมมันจะแยกเพราะเป็นอุปมาของปัญญาให้เป็นเครื่อนหนู ผิดกันนี่เรียกเข้าไปอีกนะก็เรียกธาตุนี่เนาะกําหนดดูเสือตัวอะไรมันอ่ะไล่เบี้ยอะไรน่ะตัวตามมีตาเราก็มีหนี้กลัวน่ะมันแก่มั้ยกลัวเนี่ยมันมีเล็บเราก็มีหนี้กลัวเนี่ยกลัวคนมันลดคนเราก็มีหนี้กลัวถ้ากลัวคนมันกลัวคนหลังนี้คนนังคนเราบ้านเดียวกันธาตุเดียวกันนี่เนี่ยกลัวเที่ยวมันมีเที่ยวเราก็มีเนี่ย กลัวอะไรมันหลายหาจนไม่มีแม้แต่ทางถึงหางบ่ว่าเป็นหางมันก็มันจะจนไปจนนะเพราะเรามีหางอยู่ซิอืมกลัวหางอะไรเหรอกลัวหางมันตั้งแต่ตัวมันเองมันยังไม่เห็นกลัวแล้วตัวหาประโยชน์อะไรนี่ไม่ใช่คํานะอืมเพราะฉะนั้นที่กําหนดกระจายนี่คือกําหนดเพราะมันมันรวดเร็วในปัญญากําหนดที่แตกกระจายหมดอันนั้นก็แตกกระจายนะคือความถูกริษกิจออกไปนี่ก็รู้คือตั้งเมื่อเวลามัน มันออกไปเป็นภาพเป็นภาพเสือให้มันเป็นภาพเสือซะก่อนเป็นพิจารณานั้นแล้วที่กําหนดให้มันกระจายไปเลยกําหนดกระจายให้จิตมันไปแวบพออืมเพราะเป็นภาพของจิตเองนี่เพราะจิตปัญญามันทําเองมันทําลายกันเองโดยสมมุติว่าเสือเดี๋ยวก็สถานที่อย่างนั้นมีเสือมันกลัวงั้นเอาอันนี้ให้มันดูซะก่อนอืมตรงไปก่อนหมดปรับปรุงขึ้นภาพมันก็ ภาคอะไรมันก็ดับไปความดับไปความทีนี้ก็จะกลัวอะไรสิเพราะไม่ยายหรอกมันภาคถึงตัวเองไปหรอกตัวเองจะหานี่เหลือก็ช้างว่ารู้ว่าอะนั้นเตือนจริงก่อนนั่นมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งแล้วก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเนี่ยมันก็ตั้งงั้นเสียมันก็ถ้าไม่จะฆ่ามันไปงั้นเสียคิดมันคิดไปอย่างอื่นแล้วมันไม่คิดไปทําให้กลัวมันก็ไม่กลัวตัวมันข้างมันว่างไปหมดอยู่ข้างล่างไปหมดอะไรแยกกันน้ําก็เพลิน มันก็เต็มห้อยมันเป็นอย่างนั้นเองอย่าเพิ่งมาดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมมีแต่ความว่างมันแล้วจะกลัวอะไรที่จะปิดมันครอบร่างกายมันว่างไปหมดแล้วเข้าโลกธาตุเป็นอย่างเงี้ยมันจะกลัวอะไรวายผีระงับปิดเป็นอย่างนั้นอนัตตผลกลัวมันกลัวทําท้ายบาปวิถีสติปัญญาให้นําออกท้ายเหมือนนั่งเฝ้าอยู่เฉย พอให้เกิดปัญญาไม่เกิดนะเดี๋ยวพ่อไม่บอกนะบอกมาหลายครั้งหมดแล้วสมาธิแค่ไหนป่านนี้ญาณก็ต้องสถิตตามขั้นของมันอือรู้ที่ปัญญาถามบางคนหนังบางคิดคิดที่ปัญญานี่เกิดปัญญาขึ้นมาเองพอเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้เข้าใจทําให้เข้าใจนี้มันเกิดคุณค่าของปัญญาฉะนั้นก็เดินปัญญาไปเรื่อยๆปัญญาเป็นเรื่องง่ายๆเลย <S an> มาที่เป็นประเทืองว่าไล่พิเดชเข้ามารวมตัวให้ใจสงบไม่ดุนเดินวุ่นวายและไม่คุ้มค่ารวมตัวให้ปัญญาพลุกพริ้วไปนี่เพื่อเหตุผลพระเจ้าทีนี้ให้ผลพร้อมที่ตรงไหนกิเลสดุดรอไปให้ผลพร้อมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไปนี่เรื่องคุณตาก็เกิดความสะดวกสบายถึงคุณค่าของปัญญาที่มีมูลน่ะนี่นี่นี่ความเพียรไม่ต้องบอกทันนมปัญญาได้ออกก้าวเดินแล้ว เรื่องความทุกข์เกลียดทุกข์ท่านมันหาหน้าตําหนิไปดูหนังอยู่ได้ทั้งนั้นนะไปดูในป่าในเขาว่าไอ้ฐานที่เป็นอะไรน่ากลัวไม่น่ากลัวไม่สําคัญไม่สนใจเลยสนใจแต่กิเลสตัวมันป่วนแค่นั้นกลัวก็คือกิเลสเป็นผู้พาให้กลัวเนี่ยมันไม่ได้ว่าเสือพะเป็นอันตรายนะที่เล่ห์ที่เป็นอันตรายเนี่ยมันเรื่องประมาณนี้คืออ่ะกลัวเผื่อความกลัวนี่เป็นกิเลสเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นของเสียงอยู่กับธรรมมันทั้งห่าถ้าเราให้คงขึ้นว่าเสียงน่ากลัวขึ้นว่าอันตรายนี่ก็ไม่เห็นอะไรมาก ถ้าอยากติดใจได้ก็คือความตรงความแตกความเสร็จความการของจิตนี้เองมันมันพยายามติดใจตัวเองให้นับความทุกข์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจริงอันนี้เป็นภัยแรกมันเอาตัวนี้ให้เป็นภัยไม่เห็นข้างนอกเป็นภัยเข้าถึงขั้นความจริงจริงมันมีก็กิเลสกิเลสเป็นภัยอะไรที่เรียกเป็นภัยอยู่ทั้งนั้นนี่มันลุ้นอยู่นี่เห็นอยู่นี่ประเด็นมันมาที่นี่ถึงจะไปตกขุมน้ําอยู่นู่นๆๆทําไมนี่ปัญญาพอถึงขั้นนั้นมันหมุนติ๋อหมุนติ๋อลุ้นอยู่นี่ทั้งนั้นนี่ อะไรเป็นดุจกับการขึ้นอะไรขึ้นคือว่าคนเหล่านี้ก็เล่นมันทำกันทำกันทำกันคนละเล็กๆนั่นท่านท่านที่มาตอนนั้นก็รายเป็นผู้ทัศนคติกับพิจารณาผู้นั้นน่ะจะเข้าใจได้มีแม้จะว่าเรามีสมาธิไม่มีสมาธิถึงว่าทุกคนจะพิจนาพิจนาความสงบก็เพื่อจิตสบาย การที่จะมากบกวดขัดถอนเล่ห์ของจิตก็เพื่อความสมาธิจิตต่อการวนมาตนํารเหมือนกันเราจะไปข้างว่าเราไม่มีภูมิสมาธิหรือเราได้ภูมิมาที่เพียงแค่นี้เป็นปัญหาไปไม่ได้พิจารณาตัญญาให้ได้ปัญหาขาดหมายเออกิเลสมันมีท่านไหนมีมันมีกิเลสท่านไหนมั่งมันไม่บอกเราแต่มันแสดงขึ้นมาตรงไหนมันจะเป็นกิเลสเสียดแทงหัวใจได้ครบทุกอย่างทุกอาการของกิเลสที่มันแสดงออกมานั่นเราต้องคิดเตรียมนั่นเองกิเลสไม่เห็นว่ามีท่านไหนภูมิใด มันทํามาเป็นกิเลสทุกระยะขึ้นแสดงตัวออกมาเพราะฉะนั้นมีคําเงื่อนไหนที่เราจะพิจารณาทําไมต้องให้เป็นธรรมถึงเวลาที่เราพิจารณาเราต้องพิจารณาเพราะพิจารณาเพื่อแก้กิเลสทําไมจะไม่เป็นธรรมต้องงมกันปัญญาต้องหักหน้าหักหลังน้อยกันพันข่มไม่งั้นไม่ทําในทางนี้พิจารณามีเงื่อนคือท่านว่า <ม. S 1> มหาตีนมหาปัญญาเป็นไฉนมหาตีนมหาตัญญาอืมท่านกล่าวแค่นั้นมันค่ามันหมายนะอีกไกลอะโสดาปัตติพิธาธนาคาบันนี้โสดามนุษย์โสดะอธิธรรมอนุนาคาบันนี้อรหัตตหารน่ะว่างั้นมันก็ค่าไปตามนี้ไงอืม อ๋อความรู้เราเราก็จับเป็นรู้อย่างนั้นระดับความรู้อย่างนี้มันก็ค่าไปทีนี้ความคาดเหล่านั้นน่ะกับความจริงที่เราปฏิบัติไปมันจริงเป็นคนละโลกไม่ไม่ใช่อันเดียวกันเลยต่างกันคนละโลกเหมือนเราวาดภาพโดยอเมริกันนี่เป็นต้นนะอืมแล้วมันเกิดเห็นอเมริกาแค่คุมวอยคุมต่างๆทั้งตนอย่างนี้ผู้ไปเห็นแล้วในขณะที่เรากําลังวาดภาพนั้นอะไรก็เรื่องอะไรก็ตามมันจะว่าภาพคือเมืองไหนก็ตาม อันตรายภาพนี้เราก็เชื่อมันว่าเป็นพอไปเห็นภาพเท่านั้นน่ะภาพที่เราว่าไว้รํานักกับความจริงมันเป็นคนละโลกแล้วเราก็ไม่ยอมเห็นโกรธว่าภาพที่เราอ่าวาดไว้แต่ก่อนนั้นคือเครื่องหลอกลวงแล้วมันเคยหลอกมาตั้งไหนอะไรพูดถึงเรื่องอะไรมันก็วาดภาพนั้นขึ้นมาพูดเรื่องอะไรเรื่องคนเรื่องคบเรื่องอะไรต่างๆมันต้องมีภาพมาประกอบทุกๆทุกอย่างทุกทุกครั้งทุกๆเรื่องไป แต่ว่าถ้ามีความจริงแล้วมันไม่ตรงกับความจริงแม่อันเดียวเลยอันนี้ซึ่งควรจะเห็นโทษแต่เราก็ไม่ต้องเห็นเพราะฉะนั้นถึงจะเเลดมันกล่อมคนให้หลักกันว่าภาพนี้หน้าตามันเหมือนกันเหมือนกันนี่คือเอกโทดาถึงจะเป็นอย่างนั้นคือจิตตภาวนาหน้าตานี้จะเป็นอย่างนั้นนี้จะเป็นอย่างนั้นถึงจะเป็นอย่างนั้นมันว่าภาพเหมือนกันเหล่านี้ก็เป็นเครื่องหลอกอันนั้นเราไม่ต้องไปหาใจหมายให้เดินตามนี้เลย หลักปัจจุบันทําเป็นหลักที่จะยังมักปฏิบัติให้เกิดภาวะติดใจถ้าตีตรงของสังขารก็ทํางานให้ดีไม่มีสติมีเครียดระรานถ้าไม่มีสติควบคุมก็กระทบเถอะพอปฏิงานเออทําไมทุกข์ยังไงงานก็เป็นงานงานนอกงานนั้นมันก็ต้องมีความลําบากเป็นธรรมดาเพราะคนทํางานอะมึงก็เราทํางานสติภาวนาสติจะต้องมึนมันบังคับ Потому things very plent, Want to really look at things. They are all good. The way you can see them Interurat. You don't feel overwhelmed. It's stronglyester. I did not enjoySo, Terran try and project Yama, and a few others. Maybe that can't fall anymore. But i sometimes look at that I never show a duration parfois before and theyiembre get better challenge. And you get a dozens, but because of some own It's clear out those streams because there's enough to go and put them in there. Sometimes I get more and more as they teach them พอมายามต่อนี่ไปทับเท่าทับเท่าซัดเท่ามีทับเต็มหมดทั่วร่างกายนี่มันกระจายหมดเหมือนกระดาษคลึงนี่เออมันเต็มไปหมดทั่วร่างกายถึงมันทําความแตกหลายมันเป็นกันในในนั้นให้เราเห็นให้เราดูมันทําไปแต่ได้มันเปลือยเนาวก็ดูให้เห็นทับมันคลองตัวออกมาแล้วมัน เป็นเป็นอย่างว่าเป็นปรับปุบปรับปุบเป่าปรับยิ่งเกิดความสลดสังเวยอ๋อเห็นอย่างนี้เหรอเหตุการณ์เห็นอย่างนี้เหรอเห็นอย่างนี้เหรอมันชัดนะนี่นี่ดับถ้าจะเข้าสิทธิ์คือเห็นด้วยตนเองจริงๆเห็นก็เป็นความจริงจริงเป็นอย่างนี้คิดก็เห็นด้วยความจริงเข้าเข้าเข้าเข้าแล้วมันอันนั้นขาดออกนี้หลุดลงไปโดยที่ยังไม่กําหนดมันเป็นขึ้นมาเองเกิดขึ้นทําโดยไม่อย่างว่าอย่างนั้นน่ะ ในจุดเดียวที่มันก็ชาทั้งหมดในร่างกายทั้งเราเองในขณะที่จะมาร่างกายตัวกําลังอวัยวะส่วนมันขาลงนี่พับลงตรงลงไปจริงๆมันมันไม่มีความรู้สึกการนะมากการนี้อาเนียะผมถ้ามันจะมากายโดยเห็นดูนั่นแหละงามไปอย่างกระบวนทํานี้ลงถึงที่แล้วส่วนดินมันก็เห็นได้ชัดมันค่อยกระจายมันเป็นมีส่วนน้ําก็ซึมลงไปใน ดินมันขึ้นไปบนอากาศนี่ลมพัดไปทางสภาพทั้งหลายครับมันนี่ก็ว่างกับมันจิตอืมเห็นทีเนี้ยเห็นอย่างท่านนี่ตัวนี้น้องตูมกระละมคือรวมกระดูกทั้งหลายน้ำน้ํากระจายนี่มันกลายเป็นน้ําเป็นอังคารเป็นดินไปหมด น้ำก็ไปดำน้ําเหมือนแท้ไปส่วนที่มันเปลือยหน้ามันก็เป็นยินตะอีกอย่างไม่รู้ตัวที่ทั้งมีห่าเส้นกระดูกนี่มันก็ยังเหนียวกองกันมันทํางานมันเองนี่นะเหมือนกับมันกวาดเข้ามาตะล่อมเข้ามารวมกันเป็นกองแทนที่จะเอาไฟเผามันมันกลับมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นมันเอง มีหลั่งการทั้งหลายมีการบ่เป็นผู้ดังนี้เป็นทำได้ซึ่งลำคืนมันสลบสังเวชนะทางกายคือคือจะมาเป็นเปื่อยสลักหักทั้งแต่ยังเหลือแต่เป็นกระดูกแค่ๆดูนี่มันปัดมันเป็นดินมันเป็นได้หยังมันเป็นได้ตําแหน่งกําหนดอยู่ในกองนั้นน่ะไม่ทราบแผ่นดินมาจากที่ไหน ปุ๊บน่ะเลยมัดติดกันเนี่ยเพิ้บพลังอยู่มัดมาปิดนี่นะมากบกรองกระดูกที่เรากําลังกําลังหรอการมัดการมัดกบการทันดินมากับที่ไหนมากบกันปุ๊บนั่นมันก็เป็นธรรมเทศนาอันหนึ่งอ๋อมันก็เป็นดินอย่างนี้เองเพราะว่ามันมันลมมันว่างหมดอืมมันมึนอยู่ในเหงาเลย Oh! Iscribunwo, snowboard Vang, vai-vaisi-mai kai niti Một khan thamkhan ngang mai hati ngay tide lai t bass μπο kabel Diu sun, dасed DdiYo thi này nang yut, yut non, go Diy q Я Teen t 느 dul, три nowhereần mai endlich up to me time ztấm khan thắng mai There third time, wow, konar lưu reng j act a yitr, swould khung in khan mệt sĩ trăng konar lưu e n lam Carrie e dù thallam มันก็ได้มันว่ามีคนดีแล้วก็ก็ขยายตัวแล้วตัวมาแล้วคุณก็ทํามาเป็นจิตธรรมดาตามขั้นภูมิของจิตแล้วมันยังว่างอยู่เลยอํานาจบุคคติหลังไหนก็ไม่เห็นมันว่างไปหมดเพราะอํานาจแห่งความว่างในภายในสมาธินั้นมันยังไม่หาจังได้เพราะตอนนี้จิตของเรายังไม่ถึงขั้นว่างนะมันมาว่างตอนที่เจริญมานั้นต่างหาก อ๋ออธิปันธ์นั่นล่ะเห็นร่างกายเห็นชัดที่จริงไม่มีทางสงสัยว่าพิจารณาร่างกายเห็นได้ชัดเห็นวันนั้นน่ะวันนอกนั้นมามันก็ไม่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเห็นก็เห็นแต่ว่ามันเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆแต่เราก็มันอะไรเสียดายก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างงี้มันเป็นไงมันเป็นประจำที่อยู่ที่ยังมาในวงปัจจุบันไปเรื่อยๆนี่ๆ มีความเห็นกันเลยถึงมาถึงการหมดความหมายเหมือนมนุษย์เท่าธรรมหมดแล้วเหมือนการหมดเลยการถึงกับจะท่าหมดคือการมันว่างอะไรมนุษย์เท่าด้วยแล้วก็ว่างไปด้วยมีหลักการขึ้นมากําลังมีคุณสิทธิ์ก็เป็นกับตัวของมีเป็นวิญญาณเลย มันเนี่ยมันคําสําคัญคํากับญาณสําคัญพอมันจะประกอบเกิดประกอบประกอบอืมอืมมันจะมาเข้าใจเออว่าว่ามันเป็นมันว่างคําสําคัญของจิตนะมือที่เคยก็ว่าไม่ได้ภาวนาก็ว่าอียังไงก็ว่าว่านะท่านให้ครูเขามองเห็นด้วยตาถ้าอะไรไม่มองเห็นด้วยตา แต่การฝึกเนี่ยมันเป็นเพียงน้องๆมันมากกว่าปกติเมื่อถึงขั้นนั้นพอถึงขั้นแก่ก็ทําไม่คิดถึงธนัตตะลักขณสูตรหยิบผมไม่ภาพเป็นอย่างนั้นมันมันขัดขัดกันอยู่นะก็อนัตตะลักขณสูตรอ่ะถามจะไปเขียนผมก็สบุนกันทีได้ผมก็เลยถามต่อไปเพราะคือมันก็มูลต้นที่เราเห็นอยู่นี่ Arita pariyā yasū. Long thun han marasmi pini bini nattī. Mano thamme pini bini nattī. Mano vinyane pini bini nattī. Mano sampasai pini bini nattī. Mano sampasat tajyāpaitī yedirītāng. Sukhāng wa dukāng wa dukāma dukāma su kāng wa. Takmi bini bini nattī. Nā. Thang jāne son. Arita pariyā yasū. เบญอนัยโรคนะคือเสียงความกันเบญอนัยทั้งความสัมผัสนับผู้ที่เกิดขึ้นกับระหว่างตากับรูปกระทบกันเกิดทุกข์ขึ้นมากระทําเกิดขึ้นมาทุกข์เข้ามาทุกข์มาอะไรต่างกันก็เวรก็ปฏิกิริยัตติคือ เบื่อหนานในจึงนี้หนอทั้งทั้งทั้งตาทั้งรูปทั้งสิ่งที่พอมาเกี่ยวข้องก็เป็นนิยามทั้งนั้นจึงถึงกับเกิดเวทนาทั้งหมดฉะนั้นก็สรุปมาเลยถึงเป็นมนัสที่เป็นวินนาตินี่แล้วมาเคสอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติของเรานะมากนี้เป็นวินนาติคือเบื่อหนานนั้นใจมนัสนี่มนะเบื่อหนานในจิตมีใจมาที่เป็นวินนาติ ธรรมเมตุปริยิริติบรรยายในธรรมธรรมารมณ์ทั้งหลายมโนวิญญาณเนปิริริติบรรยายในความรู้ที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณเนี่ยที่รับสัมผัสกับอารมณ์แห่งธรรมเป็นอารมณ์ธรรมมโนวิญญาณเนปิริริติมโนสัมผัสเสปิริริติบรรยายในความสัมผัสนะครับอืมสัมผัสเสปิริริติ เอาเริ่มครับครองเป็นครองเป็นแค่นี้ล่ะมันแรกๆแปลงมันเริ่มมโนวิญญาณนี่ปลื้มๆนี่นโนสัมปะเสพปลื้มๆนี่นี่เป็นไปตามมโนสัมปะกับอายาปริติเวระนิกรรมนี่เกิดขึ้นเองเสมอทุกขังวาทุกขังวะลกะมาดทุกขังวาทุกข์ตามทุกข์ตามไม่สมทุกข์ตามแต่ทั้งนี้เป็นลูตินะเบือนน่ะทั้งหมดน่ะนี่มีเท่านี้ถึงกันนี่พร้อม panimbe ida ra nit vidang viratati api me meba nan samkha kamna nit vidang na ku yeda da gumutapiti nit nyang muti nyana ropot hot tam kamtarian katang kai yang na taram sarip ipachayati na ina mo ta bhagawa pataniku sanga sanga ina mo ta bhagawa ก็คือครูบาอาจารย์ท่านได้ตั้งขึ้นบุญเพื่อจะให้ท่านเป็นเป็นความในทางนั้นทํากันไว้เพราะอนินไม่เป็นอย่างนั้นสัมมาทัสสะปุจจาสะสานุปาระอาไยที่ทางนี้เป็นสุขน่ะเมื่อองค์ให้กับธรรมะธรรมะอบายะนี้บรรยาการว่าคุณหมายความธรรมะที่ยอดเยี่ยม สัตว์ทุกข์สัตว์สัตว์ 1,000 ล้าน 1,000 ล้านได้คนแล้วติดตามมีมึกมีมึกถึงสุขทุกข์คนแล้วอาศัยติดตามมีสุขคนแล้วก็เอาทั้งตัวนั่นถึงดังนะอนัตตภาวะสุขไม่เป็นอย่างนั้นปฏิบัติมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ นี่ง้างกันอยู่เราเราว่าเข้าตานี้เสียอาจารย์ที่ตั้งแต่นี้ก็จะตัดเนี่ยถ้ามาตัดหยิบจะต้องอยู่นั้นนั่นแหละบรรณาได้รูปบรรณาได้ลักษณะบรรณาได้ทั้งนั้นรูปปฏิปรีนิธิได้นิธิได้นะปฏิปรีนิธิทั้งเนี่ยอะไรปฏิปรีนิธิทั้งค่าโดยปฏิปรีนิธิเนี่ยที่ปฏิปรีนิธิ เดือนนั้นในรูปหมายหมายทําอะไรทั้งนั้นทั้งถามให้ยืนยันก็ปฏิบัติแล้วถึงเมื่อไหร่จึงถ่ากําหนัดไปแล้วแล้วก็ปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นอ่ามูท้าวแล้วต่างท่านๆมูท้าวชัดๆเข้าใจชัดๆไม่มีอะไรผิดเอานี่ไม่คิดถึงแค่ที่จะมาอะไรอีกอะไรก็พิจารณามาแล้วเรื่องวิจารณ์กันการทั้งฐานพิจารณาที่มันทําตัวนี้รู้มันทั้งเกิดทั้งดับรัตนะตาล้นล้วนมันลงในอัตตนาการพิจารณาทั้งหลายแสนผม มีจังทุกข์ขังนั้นว่าไปแล้วมันลงอุปนะตาล้วนๆรูปอากาเวนะตาสังขารานะภังวิญญาณานาตาไปเลยเวลามันมันจะรวมด้วยกันมันมีแต่ธรรมานตาทั้งนั้นรวมแล้วเป็นธรรมานตาทั้ง 5 อย่างนี้เป็นธรรมานตานี่ธรรมานตาแต่มันก็ไม่แลวขั้นตอนเป็นอากาตามันไม่แลวในจิตมันจะนิพพังได้สักยังไงอือเมื่อเบิหน้าย้ําค่ากําหนดเมื่อค่ากําหนดจึงต้องหลุดพ้น ก็คือคนยามันมีแป้งถ้ามันสิลิ้วไปแล้วย่อมมีย่อมมีเห็นบ่มีตะมีมีติยานางฮ้อตินะถ้ามันมีแป้งถ้ามันสิลิ้วไปแล้วย่อมมีเรามันไม่มีนะเพียงแต่รู้รู้เท่า 15 เท่านั้นมันไม่มีมันไม่เบื่อหน่ายมันไม่คลายกำนัดอะไรเลยถ้ามันไม่เข้าถึงสิทธิ์ก่อนนั่นพอ 5 นี้อาการนี้มันปล่อยมาแล้วมันก็เหลือแต่สิทธิ์ดวงเดียวตินั่นมันก็เข้าพิจารณานั้นอีก ก็เป็นนั้นก็ตัดอาการทั้งหมดแล้วส่วนมูลของวิทยาทางเดินของวิทยาและเครื่องมือของวิทยาและจะรู้ประทานทั้งธรรมวินญาณนี้มันถูกตัดหมดแล้วคือเรารู้แค่ธรรมเท่านั้นแล้วเหลือแต่ความรู้อันเดียวตรงนี้เราเห็นเพราะว่าปรากฏว่าได้ขาดกำหนดหรือได้หลุดพ้นในขณะที่ล้อกัน 5 นั้นเลยมันต้องวาดกับปิ่นนี่คือต้นหลักนี่ในมณีปาจานี่นั่น เอากันแล้วแล้วก็อืมมีบังคับได้ด้วยสิมันหมดปัญหานี่ถ้ามันค้างเนี่ยมันค้างไปแบบนี้มันถ้าในภาคปฏิบัติเป็นควรอาตมาเราฝึกเหลือนึงในอริยตปิฎกต้องยอมรับทันทีนั่นถูกต้องคือปฏิบัติไปทั้งถึงจิตเข้าเบื่อหน่ายให้จิตอีกหน่อยไม่เบื่อหน่ายแล้วถึงภายนอกเท่านั้นเราต้องให้เบื่อหน่ายในจิตอารมณ์ที่เกิดจากจิตก็แล้วเบื่อหน่ายนั้นเสร็จเลยเบื่อหน่ายในธรรมะนั้นเบื่อหน่ายนี้ ฟังถึงขึ้นมาสัมผัสภายในจิตธรรมอารมณ์อืมทุกข์จนทุกเมื่อหนอพร้อมทั้งหมดเลยปัจณีปิอิเลยนะเมื่อออกมาปัจณีเห็นมาทั้งหมดด้วยพร้อมถ้าคุณมาปรับบริก็เรียกว่ายกภพนามขึ้นปัจณีปิอิเลยนี่ที่ไม่ต้องพูดอีกสายคนเป็นชื่อคนนั้นจะมีเราเขาคนหนึ่งโทษละเขาหมายมันเป็นปทนาแทนตัวละยาวโทษละเขาโทษว่ามันอืม <c ười> <c ười> นี่สักนี้เป็นนิรันดร์ที่บานะในจิตตอนนั้นทั้งหมดนี่ดันแล้วก็ติดตายตลอดฝึกจิตมันก็เป็นอย่างนั้นพอพิจารณาเนคขะกายามันก็ตาลอดถึงจิตเป็นตลุในจิตแล้วมันผ่านพิจารณากังหานิพพอพิจารณาทั้ง 5 เข้าใจอยู่แล้วถ้ามันผ่านไม่ได้นี่มันไม่ได้เข้าไปถึงจิตด้วยก่อนมันผ่านไม่ได้นี่มันเป็นขวางนึงนะจ๊ะ